รุ่งขึ้นผมได้ถูกย้ายตัวลงมานอนที่ห้องลุงพัดส่วนห้องข้างบนที่เก่าหน้าเกียรติจะนอนคนเดียวผมดีใจที่ได้ย้ายลงมาอยู่กับลุงพัดแต่ใจหนึ่งนั้นก็คิดห่วงหน้าเกียรติแกต้องเขียนหนังสือคนเดียวนอนคนเดียวแกก็คงกลัวเหมือนกันแต่ว่าแกเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องจำสู้ตามหน้าที่ผู้ใหญ่แต่การไปไหนกลางคืนนั้นดูดชักจะบ่อยเข้าทั้งไม่กลับห้องจนรุ่งขึ้นบ่อยเข้า อาจจะเกิดจากกลัวที่ต้องนอนคนเดียวหรือแกมีเรื่องยุ่งยุ่งอะไรของแกก็ได้ผมกลุ้มใจแทนเจ้างานยุ่งยุ่งของแกเลือกเกินเรื่องการเมืองอะไรของแกจะไม่ทำให้แกมีความสุขเลยอีกสองสาวันนักเกียรติจัดให้ผมหยุดงานทางเรียงพิมพ์และย้ายขึ้นไปทํางานข้างบนมีหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ที่คนภายนอกพูดมาติดต่อผมก็ไปตามที่เขาต้องการติดต่อมาพูดเพราะผมรู้จักคนทางานในนั้น ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีถ้าไม่มีใครโทรมาก็มีหน้าที่ตรวจบุ้ฟขั้นแรกคือขั้นต่าเพียงกลาวตัวผิดซะก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าผมผ่านการเรียงพิมพ์มาแล้วถูกแก้เรื่องคําผิดตัวสะกดการันผิดไปจากกองบรรณาธิการสมากแล้วจนรู้เรื่องจึงพอตรวจแก้ขั้นต่ำได้ส่วนต่อไปเป็นการตรวจของผู้ใหญ่ที่มีความรู้สูงท้งอักรษรศาสตร์แล้วก็ทางหนังสือพิมพ์เป็นผู้ตรวจสุดท้าย ในตอนบ่ายวันนั้นมีใครคนหนึ่งมาที่สำนักพิมพ์ของเราพวกเขาต่างลุกจากเก้าอี้เอะอะต้อนรับเป็นการใหญ่จับมือกันวุ่นวายบางคนเข้ากอดรัดชายคนนั้นผมมองดูเขาอย่างไม่รู้เรื่องโอ้นี่แหละเพื่อนเอ้ยเพื่อนได้ประกาศสเนียบัตรแล้วพวกเรารองขึ้นและตบหลังใจคนนั้นอย่างหนักแล้วก็หัวเราะกันครืนใหญ่ผมชงด์นักว่าคนนั้นเข้าไปศึกษาอะไรสำเร็จมาหนอจึงได้ประกาศสเนียบัตมาเป็นที่ยกย่อง ครั้นฟังเขาพูดกันนานเข้าจึงรู้ว่าชายผู้นั้นออกจากตารางมาในคดีการเมืองพ้นโทษมาแล้วก็มาเยี่ยมพักพวกทุกคนนิยมกันว่าการติดตารางคดีการเมืองคือประกาศนียบัตรผมใจหายเพิ่งรู้ว่าชีวิตจิตใจของพวกเขาที่เรียกตัวเองว่านักการเมืองนั้นผิดกว่าชีวิตจิตใจคนธรรมดาสามัญผมเองก็ชักจะหนาวใจกลัวน่เกียดจะเป็นแบบนั้นไปบ้างผมเคยตรวจรูป พบข้อความของนักเกียรติพูดอะไรรุนแรงบ่อยๆเกรงว่าจะถูกเรียกตัวไปอบรมเพื่อที่จะไปปรับทัศนคติแล้วก็รับประกาศนิยบัตกับเขาบ้างการติดตารางนี้ผมไม่เคยรู้ผมไม่เคยผ่านแต่ว่าตัวผมเองเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่ามันร้ายนักไม่ผิดอะไรกับนรกดีๆนี้เอง ต่อมาไม่นานนะก็มีเรื่องเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวกันเกลียวว่าคนกลุ่มหนึ่งคิดร้ายต่อรัฐและได้มีการจับกลุ่มได้หลายคนพร้อมด้วยหลักฐานยืนยันพรรคพวกที่ร่วมคิดมีอีกได้ถูกรวบตัวไปร์นาลแต่ว่าตัวบงการหลายคนนี่หลบหนีไปได้พวกกองบรรณาธิการของเราบางคนก็เอะอะด่าว่านักเกยียรติหาว่าทำการพลาดเพราะหลงกลนักการเมืองอีกฝ่ายจึงทําให้พรรคพวกต้องเข้าปิ้งไปตามกัน ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวนักเกียรตินี่โดนดีเข้าแล้วแม้จะไม่มีรายชื่อในจำนวนที่ถูกจับแต่ก็คงอยู่ในจำนวนที่หลบหนีไปได้นั่นเองเป็นอันว่าอยู่ในบัญชีของผู้คิดการเป็นเสียนน้ำลุงพัดป้าน้อยต่างหน้าเศร้าบ่นอยู่วุ่นวายเรื่องของหนังสือพิมพ์นี้ผมมองเห็นช่างประหลาดแท้ขนาดเป็นการพานโรงเท่านั้นก็ยังจะดูมีความรู้ทางการเมืองกับเขาด้วย ซึ่งในขณะนั้นผมมีอายุน้อยทั้งชีวิตป่าเถื่อนจมอยู่กับวัวควายผมเชื่อว่าทุกคนที่พูดว่าตัวเป็นนักการเมืองนั้นเขาต้องเป็นจริงๆเขาคงเฉลียวฉลาดในการปกครองดีเขารู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าบ้านเมืองเดินอย่างไดถูกอย่างไดผิดผมเพิ่งมารู้คราวหลังว่านักการเมืองนั้นไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆก็ต้องมีความรู้จริงๆผ่านการเมืองการต่างประเทศมาหลายประเทศจึงจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี จะทำอย่างไรจะเหมาะสมกับประเทศเราเพียงแต่รู้เรื่องในประเทศเราเท่านั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าการเล่นการเมืองนั้นเราจะต้องเชื่อมกับประเทศอื่นเขาด้วยจะเอาแต่ของเราอย่างเดียวก็จัดว่าไม่ใช่นักการเมืองที่จะนับถือได้แต่ว่าเมื่อสมัยอายุผมเท่านั้นก็น่าขันที่ว่าคนแค่ลุงพัดก็รู้เรื่องการเมืองกับเขา และอีกหลายๆคนที่ผมรู้จักว่าเป็นเพื่อนนาเกียรติแต่ละองค์หน้าตาไม่บอกว่าน่าจะเป็นคนที่ส่วนมากจะให้ความไว้วางใจเป็นผู้ปกครองเขาแต่เขาก็วางท่าวางทางหรือมั่นใจตนเองว่าเขาเป็นคนสำคัญจะเป็นผู้นำประชาชนได้เป็นอย่างดีผมไม่ได้กลุ้มใจว่านกเกียรติจะแพ้การเมือง แต่ว่ากลุ่มใจว่านกเกียรติเป็นผู้อุปการะผมเมื่อแกมามีอันเป็นไปผมก็ช่วยอะไรแกไม่ได้ให้สมกับที่จะทดแทนบุญคุณของแกที่มีต่อผมยิ่งลุงพัรแกบ่นย่างห่วงนกเกียรติว่านักเกยีกเกรยรติมีภัยสองซ้อนนอกจากจะมีภัยทางการปกครองแล้วยังมีภัยทางนักการเมืองอีกฝ่ายที่ถูกจับตัวไปและพวกที่เหลืออยู่จะจองล้างเพื่อปิดปากและแค้นเคืองที่โครงการของเขาล่มเหลว ด้วยเหตุการณ์นี้นักเกียรติจึงตกอยู่ในที่นั่งลําบากผมกลุ้มใจจนไม่รู้จะบรรยายอย่างไรถูกผมจากบ้านนอกมาอยู่ในความคุ้มครองของนาเกียรติแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักเกียรติต้องหนีหายผมจะอยู่กับใครงานที่ทํานั่นถ้าจะเป็นหลักประกันเลี้ยงตัวได้เลยนะทางอายุก็น้อยว้าวุ่นที่สุดมองข้างหน้าไม่ออกว่าผมจะทําอย่างไรกับตัวผมเองจะอยู่ต่อไปอย่างไรกันแน่ผมมาอยู่โรงพิมพ์นี้ก็เพราะว่านาเกียรติ แต่เมื่อเกียดไม่อยู่ผมก็กลายมาเป็นคนที่อยู่ในปกครองของลุงพัดผู้เป็นเพียงพานโรงถ้าทางกองบรรณาธิการเขาจะปลดผมออกจากงานและไม่ให้อยู่ในสถานที่นี้ลุงพัดจะมีอำนาจอะไรป้องกันผมได้เล่าทั้งสองประการท่านบรรณาธิการยังไม่ได้พูดอะไรถึงกระผมว่ากร ะ, ะไรผมจึงทำงานไปก่อนตามหน้าที่วันหนึ่งตำรวจได้มาตรวจค้นห้องเกีดตามหน้าที่ของเขาแต่ก็ไม่ได้อะไรไป ขาจะกลับพวกเขาจำเลืองดูผมแล้วก็เขยบตากันผมสะดุง้งเอ๊ะผมก็จะกลายเป็นพรรคพวกนกักการเมืองไปกับเขาด้วยหรือผมเล่าให้ลุงพัดฟังแกออกความเห็นว่าผมเป็นจุดหนึ่งที่เขาจะยึดเอาเป็นทางที่จะพบตัวนักเกียรติได้วันหนึ่งนักเกียรติก็จะต้องแอบมาหาผมเพราะความห่วงใยผมฟังคำนี้แล้วขนลุกเกลียวภาวนาอย่าให้นักเกียรติมาเลยเดี๋ยวจะถูกจับตัวผมเองคิดจะกลับบ้านนอกแต่ทายังไง จะบอกกับนักเกียรติได้เล่าว่าผมจะกลับบ้านนอกผมจะอยู่ที่นี่โดยไม่มีนาเกียรติได้อย่างไรคืนหนึ่งเราสามคนยังนั่งคุยกันอยู่ลุงพัดป้าน้อยแล้วก็ผมก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆจากข้างนอกลุงพัดมองหน้าพวกเราแล้วก็ลุกไปยืนชิดประตูถามออกไปเบาๆว่าใครผมเองเราทั้งสามคนสะดุง้งเพราะว่าเป็นเสียงที่เราจําได้คุ้นหูเสียงนั้นคือเสียงของนักเกียรติไม่ต้องเปิดประตูครับข้างนอกพูดผมห่วงเจ้าเรืองอะ่ะ มาบอกขอฝากไว้ด้วยตัวผมจะขอหลบซ่อนตัวไปก่อนเฮ้ยไม่เข้ามาก่อนเหรอครับลุงพัดถามไม่นะครั บ, มมรบผมไม่เข้าผมมาฝากเจ้าเรืองเท่านั้นเดี๋ยวยังไงผมขอลาก่อนนะเรืองเอ้ยลาแล้วนะเว้ยนาเกียรติพูดเป็นคําท้ายแล้วก็เงียบเสียงไปป้น้อยเอามือรูปอกด้วยความห่วงใยอย่างหนักดูดูกล้ามาอันตรายแท้ๆพอคุณเอ้ยปน้อยพูด ลุงพัดพยักหน้าผมน้ำตาไหลสงสารนาเกียดจับหัวใจความห่วงของแกจะทำให้ถูกจับเพราะผมนาเกียดหายหน้าไปและไม่มีข่าวคราวเกือบสองเดือนผมก็ยังคงทำงานไปด้วยความเมตตาของท่านบรรณาธิการซึ่งความจริงแล้วเขาจะเอาความสำคัญอะไรกับผมเล่าในเรื่องการงานมันก็คล้ายๆกับผมฝึกงานเท่าที่ได้เงินเดือนบ้างเล็กน้อยก็เป็นไปโดยเมตตากรุณาของท่านบรรณาธิการ เวลานี้ผมได้ช่วยเงินแกลุงพัดกับป้าน้อยเป็นค่าอาหารฝากท้องแกสองผู้เฒ่าในฐานะคนไม่มีผู้ปกครองถึงแกทั้งสองจะยากจนเงินเดือนน้อยแต่ว่าใจคอของแกทั้งสองเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นอย่างดีเรารับประทานอาหารกันแล้วในตอนเย็นลุงพัฒก็ออกไปซื้อบุหรี่แล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆที่ข้างนอกป้าน้อยก็ตามไปหาซื้อขนมไว้กินกลางคืนบ้าง ผมนั่งเล่นอยู่หน้าห้องคิดอะไรต่อมีอะไรมากมายตะวันก็เย็นลงโพล้ยเพลยทางขวามือของผมไกลออกไปด้านหลังโรงพิมพ์มีสวนดอกไม้เล็กๆอยู่มีใครเดินก้มๆเงยๆอยู่ตามต้นไม้ผมจึงหันหน้าไปมองเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเด็ดดอกไม้ต้นโน้นบ้างต้นนี้บ้างผมไม่รู้ว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นของใครกันเพราะที่ดินมันติดกับอีกบ้านหนึ่งและคงมีทางเดินมาได้จากบ้านโน้น หญิงคนนั้นจึงมาเก็บดอกไม้ครั้นเก็บดอกไม้แล้วไม่หญิงคนนั้นก็เดินอ้อมช้าๆไปทางตึกแล้วก็เดินขึ้นตึกผมสะดุ้งทั้งตัวภาพที่เห็นนั้นมันคล้ายกับความฝันมันเป็นไปไม่ได้เลยบนตึกที่ทำการของเรานั้นไม่มีใครไม่ได้เลยเป็นที่รู้กันชัดแจ้งแล้วว่ามีใครไม่ได้ผมตัวชาความกลัวทาให้หน้าของผมเหมือนจะหนาขึ้นหัวเหมือนจะโตกว่าเก่า ผมกำลังโดนพวกนั้นมาหลอกล้อผมอีกแล้วคิดจะหนีเข้าห้องแต่ขามันไม่ยอมที่จะก้าวไปก็เกิดความกลัวทางในห้องขึ้นมาอีกผมแทบจะร้องให้ใครช่วยพอเสียงฝีเท้าลุงพัดกับป้าน้อยกลับมาใจผมค่อยอบอุ่นขึ้นผมมองแกทั้งสองด้วยดวงตาที่พยายามจะให้เป็นภาษาพูดออกมาให้ได้ลุงพัดมองหน้าผมอย่างสงสยัยผมคงมีหน้าซีดตาเหลือกแกจับแขนผมแล้วดึงเข้าห้องป้าน้อยก็มองผม ผมก็มองลุงพัดอย่างตกใจและสงสัยผมได้ค่อยๆเล่าภาพที่เห็นให้แกฟังลุงพัดเบิกตากว้างป้าน้อยเหลียวหน้าลอกแลกเอ๊ะเอาอีกแล้วเหรอโถเว้ยเขายิ่งยุ่งยุ่งกันอยู่มารบกวนอีกแล้วลุงพัดพูดขึ้นลอยๆเวลานั้นข้างนอกก็มืดพอดีแกก็เลยรีบปิดประตูผมชักจะตัวสั่นป้าน้อยนั้นถึงจะวางตัวว่าไม่กลัวแต่ก็ถึงกับนั่งยองๆกอดตัวเองเหมือนหนาว ตาฝาดหรือเปล่าวะลุงพัดถามอย่างสงสัยแต่ไม่ใช่พูดอย่างเยาะเยะ้ยปะโตผมร้องเห็นชัดเลยครับผมตอบด้วยความน้อยใจตัวเองที่ว่าจะพบเรื่องอย่างนี้มักจะพบคนเดียวทุกทีพอพูดให้ใครฟังมันก็คล้ายกับว่าเราตาฝาดไปเองผมถึงกับทำท่าสุดนั่งเพราะเกิดความกลัวเข้าจับใจมันเห็นชัดอย่างนั้นยิ่งทาท่าดูมันเหมือนเอาจริงๆ เมื่อพบเหตุการณ์ตอนแรกที่ตึกชั้นบนนั้นยังกลัวพอประมาณแต่มาซ้ำครั้งนี้ผมกลัวเหลือเกินนี่หรือว่าเขาว่าผีซ้ำ ด, ำ ด, ดั้มพลอยลุงพัดพูดพึมพำคล้ายกับบน่นเขายุ่งกันอยู่ชุลมุนกันอยู่ก็มาซ้ำพลอยให้ยุ่งเข้าไปอีกนั่นน่ะสิป้าน้อยพูดคล้อยตามอย่างที่ไม่รู้จะพูดอะไรใครถูกใครผิดก็เออ อ, อห่อหมกไปด้วยทุกอย่าง ลุงพัฒน์มีความอารีสมหน้าที่ผู้ใหญ่ได้จัดแจงกลางมุ้งให้ผมแล้วก็เอามุ้งของแกลงบ้างผมเห็นดังนั้นก็รีบปูเสือหยิบหมอนแม้แต่จะไม่ง่วงเพราะว่ามันยังหัวค่าแต่ถ้าลุงพัฒน์เกิดจะเข้ามุง้งและป้าน้อยเข้ามาบ้างผมจะอยู่คนเดียวมันก็หนาวสั่นกันเท่านั้นมันจะไม่ง่วงก็ช่างมันนอนขดตัวอยู่ในมุ้งให้มันหลับไปเองคืนนี้เปิดไฟไว้อย่างนี้ดีกว่าวะ่ะลุงพัฒน์พูดคานี้ผมนิชชอบใจจริงๆ ป้าน้อยแกก็คงชอบใจเช่นเดียวกันกับผมจริงอยู่ภาพที่ผมเห็นนั้นไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับห้องเรานี้แต่เป็นเกี่ยวกับสวนดอกไม้แล้วก็บนตึกแต่มันก็เป็นบริเวณเดียวกันลงไม่หญิงคนนั้นแกสัมเดงให้เห็นแกที่บนตึกแล้วก็ที่สวนดอกไม้ได้ทำไมจะไม่มาสัมดงร่างที่ห้องเราบ้างการเปิดไฟทำให้อุ่นใจดีขึ้นเป็นกองผมนอนขดตัวกอดผ้าห่มจะห่มก็ร้อนเหลือเกิน ถ้าอากาศหนาวก็จะดีเลยถือโอกาสคลุมโปงไปเลยแต่นี่ร้อนมากเพียงหนาวใจเอาผ้าห่มที่พับๆอยู่มากอดก็พอพึ่งได้ผมนอนนิ่งแล้วก็คอยฟังเสียงข้างนอกห้องทั้งสดับหูไกลไปถึงบนตึกว่าจะมีอะไรแว่วมาบ้างทั้งเสียงรถเสียงคนนอกถนนดังแว่วเข้ามาแก้วหูผมรับไว้ทุกอย่างสุนัขบ้านไกลเห่าหอนแมวเหงาร้องหาตัวเมียก้องอยู่ในหูผมเสียงตุ้มนาฬิกาเดินต๊อแตกแทก ตอกแตกเป็นจังหวะเหมือนกล่อมให้วังเวงแล้วความแว่วทั้งหลายก็ได้จางลงไปผมม้อยหลับไปสักเท่าไหร่ไม่ทราบสะดุ้งตื่นเหมือนได้ยินเสียงอะไรแว่วๆอยู่ข้างนอกห้องเราผมยังคงนอนเงี่ยหูฟังอยู่เฉยๆเพราะยังไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรเสียงลุงพัดขยับตัวแต่ไม่ได้ลุกออกมาจากในมุง้งไฟสว่างผมหันมองดูก็รู้ว่าแกตื่นด้วยกันทั้งสองคนในช่วงสองสามอึดใจนั้นเสียงข้างนอกที่ปลุกเราให้ตื่นก็ดังขึ้นมาอีก เสียงใครเคาะ ฝ, ฝาทางด้านที่เรานอนเราทั้งหมดนอนนิ่งฟังเสียงนั้นเฉยอยู่เพราะเรื่องเมื่อตอนพลบค่มนั่นเองทําให้ทั้งลุงพัดและก็ผมไม่กล้าจะร้องถามออกไปว่าใครมาเรียกเสียงนั้นจึงเคาะรัวถี่เข้าพร้อมกับมีเสียงคนเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงผมแทบหัวใจหยุดเต้นลุงพัดในเรื่องเสียงนั้นเรียกแต่ว่าดังชัดเจนผมเหมือนจะกระอักเลือดกลัวจนแทบจะร้องวยวายขึ้นดังๆ แต่ร้องไม่ออกลุงพัดออกจากมุง้งมาจุดผมให้ไปรวมอยู่กับแกผมคลานตามแกไปอย่างว่าง่ายเสียงนั้นเรียกซ้ำอีกเมื่อเห็นเราเงียบไม่ตอบไม่ขานฉันจะบอกอะไรให้เสียงผู้หญิงคนนั้นพูดแต่พวกเราก็นิ่งเงียบไม่กล้าจะตอบฉันจะบอกให้เท่านั้นจงรู้ไว้เสถีดว่าในเกียรติน่ะตายแล้วพอได้ยินคำนี้ผมสะดุ้งจนตัวลอยลุงพัดเองก็ไหวตัวแต่พูดอะไรไม่ออกกหก ก็หกผมตะโกนออกไปพอเขาพูดว่านาเกียรติตายผมก็โมโหหมดความกลัวตายแล้วเสียงนั้นดังลอดเข้ามาอีกและดังกว่าเก่าถูกคนในรถเก๋งยิงตายเมื่อหกโมงเย็นนี้ฉันมาบอกให้เท่านั้นแหละเสียงนั้นเงียบไปผมร้องโวยวายขึ้นอย่างไม่เป็นสับจะค้านว่านาเกียรติไม่ตายก็ไม่มีหลักฐานอะไรและเสียงผู้หญิงคนนั้นคือผู้ใดกันผมจะโต้เถียงเขาได้อย่างใด ผมตะโกนออกไปคล้ายสติลอยลุงพัดโดดเข้ามาปิดปากผมเราไม่รู้จริงลุงพัดพูดเสียงดังเป็นการปลุกใจตัวเองและก็ปลอบผมปะน้อยนั้นร้องครางขึ้นมาจะว่ากลัวเจ้าของเสียงนั้นหรือกลัวข่าวนาเกียรติตายที่ได้ยินก็บอกไม่ถูกเราทั้งสามคนออนละเวงที่สุดทั้งห่วงทั้งกลัวมันเป็นคาบอกเล่าที่น่าคิดเราจะทาอย่างไรมันเป็นยามดึกดื่นเราจะถามใครเล่า ว, ว่าจริงไม่จริง ถ้าเขาย้อนถามเราว่าใครบอกเราทั้งสามที่กำลังเป็นบ้าได้ยินเสียงใครมาบอกมันบ้าบอพอดูมันจะเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรเพียงแต่คนที่มาบอกเรายังเอาหลักฐานไม่ได้เลยว่าเป็นใครเราจะบอกกับใครๆหรือว่ามีผีมาร้องบอกข่าวเราก็เป็นคนบ้าทันทีนับว่าเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีที่ทําลายล้างหัวใจของเราสามคนเหลือเกินทั้งกลัวคนที่มาบอกข่าวก็กลัวอย่างแทบจะจับไข้ยอยู่แล้ว ยังมีข่าวอย่างลอยลมมาจากผู้ที่เราเกรงกลัวข่าวนั้นโดยเฉพาะผมเองแล้วเป็นข่าวสำคัญทีเดียวโดยเฉพาะข่าวคราวที่ผู้ไม่มีร่างกายนั้นมาพูดเป็นข่าวของน่าเกียิซึ่งแกเป็นผู้มีพระคุณของผมทั้งเป็นที่รักและเคารพสุดหัวใจถ้าคำพูดนั้นเป็นจริงนั่นคือผมถึงที่หยุดอันจะก้าวไปข้างหน้าเสียทีเดียวผมหมดที่พึ่งคนสาคัญซะแล้วและเรื่องน้าใจคนนะสิครับมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไร เกิดเป็นคนต้องมีทั้งความเคารพรักและกะตันยูผมรักนักเกียริทั้งสงสารชีวิตของแกที่ลำบากแต่ไม่ใช่ตรากตรำแบบกุลีแบกหามนะครับตามที่พวกนะักการเมืองบอกว่าสนุกและก็สบายนักที่ได้ต่อสู้ทั้งปากและกำลังกายแต่ผมเห็นว่าน่าสงสารที่สุดมนุษย์ที่มีจิตใจอย่างอื่นเขาก็มีสุขสบายกันตามทางของเขาเช่นกันแต่เหตุใดนกเกียริของผมต้องมาจับใจเอาชีวิตชนิดนี้เข้ามาเป็นประจาตัว ฐานะของเขาก็บอกเราอยู่แล้วว่าคงจะเป็นนักการเมืองอย่างฝืดๆแร้นแค้นเต้นโยงเยงไปตามกําลังใจแห่งตนเท่านั้นแต่เครื่องประกอบความสําเร็จที่จะให้เป็นนักการเมืองที่สมบูรณ์นั้นไม่มีเลยเพียงบ้านจะพักอาศัยกายก็ยังไม่มีหรือทุกๆคนที่ผมรู้จักอยู่โดยที่มาติดต่อกับนักเกียรติก็เช่นเดียวกันดูทุกคนช่างสําคัญนักแต่ทุกคนก็ไม่มีเครื่องประกอบในกิจการของตัวเลยทั้งนั้น เราจะเอาชีวิตของเราเป็นประกันกับประชาชนกระนั้นหรือคนอีกมากมายที่ยกย่องเคารพนับถือนักเกียรติหรือเพื่อนนักเกียรติว่าเป็นผู้นําแห่งการปกครองที่ดีนั้นผมคิดว่ามีแต่คนฟังมากกว่าจะเอาจริงเอาจังทําตัวอย่างนักเกียรตินี้นานๆเข้าก็เป็นคนเพอ้อไปคนเดียวคนที่จะชอบฟังความเห็นของนักเกียรติก็มีบ้างแต่เขาก็กินข้าวของเขานักเกียรติก็กินข้าวของนักเกียรติถ้าไม่มีก็อดไป ถ้าโมโหเกิดขึ้นในเมื่อพูดอะไรแล้วไม่เป็นผลทุกๆอย่างก็เป็นผลร้ายแก่ตัวเองอย่างเท่าที่นักเกียิกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แม้แต่มีรังที่ขออาศัยเขาอยู่ก็ยังอยู่ไม่ได้เลยต้องหลบลี้หนีหายเราสามคนกระวนกระวายจนรุ่งเช้าและก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นความแจ่มแจ้งแห่งการตายของนักเกียจจะข่าวบ้าๆบอๆของเราก็ไม่ได้ดีขึ้น หนังสือพิมพ์ของเราก็เป็นหนังสือพิมพ์เวลาเย็นจึงไม่มีข่าวอะไรให้เรารู้ในตอนเช้าต่อมาเมื่อสายๆนั่นแหละจึงมีข่าวมาให้เราพิมพ์เป็นข่าวว่ามีอะไรกันบ้างผู้อ่านข่าวตอนเย็นจะได้รู้ได้อ่านกันฉะนั้นเช้าขึ้นเราก็ไม่มีอะไรจะรู้ว่าเป็นข่าวบ้าๆเมื่อคืนนี้จะเป็นจริงไปได้หรือเปล่า เช้านี้ผมได้ขึ้นไปช่วยลุงพัดแล้วก็ป้าน้อยเปิดสํานักพิมพ์บนตึกแล้วก็ทําความสะอาดเรื่องเช่นนี้ก็น่าเห็นใจกันลุงพัดยังเห็นใจผมว่าผมกลัวพูดผีปิศาจจึงเอาไปนอนด้วยครั้นเมื่อคืนนี้ทั้งผมทั้งลุงพัดแล้วก็ป้าน้อยก็โดนดีเข้าด้วยกันแล้วลุงพัทเนะหรือจะไม่สะดุง้งสะเทือนหวาดหวา ด, วดตามห้องต่างๆของตัวตึกทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างถ้ามาเปิดห้องคนเดียวหลายๆ ห, ห้อง ในตอนสายวันนั้นเองผมถึงกับร้องไห้โฮออกมาด้วยว่าข่าวบา้าคมลอยเมื่อตอนดึกนั้นกลายเป็นความจริงหนังสือพิมพ์เช้าทุกฉบับได้ประคมข่าวว่านักเกียรติถูกยิงตายทุกคนในสำนักงานของเราเอะอะวุ่นวายตัวบรรณาธิการเองวิ่งวุ่นวนเวียนในห้องผมวิ่งร้องไห้ลงไปหาลุงพัดและป้าน้อยเราทั้งสามต่างเศร้าโศกไปด้วยกันนักเกียรติตายเพราะออกจากที่ซ่อนไปกินอาหารรถเก๋งคันหนึ่งที่จำสีไม่ได้ จำเลขทะเบียนก็ไม่ได้วิ่งชะลอไปข้างถนนแล้วคนในรถก็ยิงอย่างแม่นยำนักเกียรติล้มลงรถเก๋งคันที่ก่อเหตุนั้นก็เร่งฝีเท้ารีบหนีไปข่าวเป็นดังนี้ปะน้อยตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหญิงที่ให้แต่เพียงเสียงเมื่อยามดึกนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆสมควรจะเกรงกลัวแกเป็นที่สุดไม่ใช่เรา3ามคนที่ได้ยินจะเป็นคนมีประสาทเป็นบ้าวิกวิการไปได้อย่างไร ความจริงสิ่งต่างๆที่ผมเห็นเมื่อวันก่อนๆบนตึกแล้วก็ครั้งหลังเมื่อผมเห็นที่สวนดอกไม้ได้เป็นประกันในตัวผมแล้วบรรณาธิการได้เรียกผมขึ้นไปถามว่าจะทำอย่างไรทางตํารวจเขาเก็บศพไวรอญาติอันนิจจังญาติอย่างผมก็เป็นเด็กตัวกระเพียกจะไปทําอะไรได้ผมถึงกับตันใจร้องไห้ทั้งความกลัวแห่งปีศาจทั้งความเสียใจอะไรในตัวนักเกียรติผมร้องไห้เป็นการใหญ่ ตกลงบรรณาธิการคนเดียวที่ตัดสินใจเป็นญาติคนที่หนึ่งยื่นมือเข้ารับศพนักเกียรติไปทําการเชิญแล้วก็รถน้าศพและมีสวดอภิธรรมที่วัดส่วนผมนั้นบรรณาธิการรีบให้กลับไปบอกญาติที่มาบโปยุธยาผมเหยียบขึ้นแผ่นดินที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อตอนบ่ายมากแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแต่ว่าใจหายที่ต้องมาบอกข่าวกับชาวบ้านเราบอกว่านักเกียรติจากเราไปซะแล้วอย่างไม่มีทางกลับ เจ้าแฟงได้ยินเสียงเรือจ้างมาเทียบท่าก็เดินมาดูพอมันเห็นหน้าผมมันก็ตะโกนแล้วก็หัวเราะรา่าแต่ยังไงก็กลายเป็นร้องไห้มันดีใจที่เห็นหน้าเพื่อนเก่าของมันผมอดไม่ไหวก็ร้องไห้บ้างร้องที่สงสารเพื่อนเก่าโดยที่ตื้นตันแล้วก็ร้องไห้ในเรื่องของนาเกียดด้วยพอตายายโผล่หน้ามาออกมาเรียกชื่อผมผมก็ปล่อยโฮออกไปอีกพร้อมกับบอกข่าวการตายของนกเกียิโดยซุ้มเสียงแทบจะไม่เป็นมนุษย์ ในครู่นั้นเองเพื่อนบ้านตำบลมาโพโของเราก็เศร้าสลดไปตามๆกันพวกญาติที่ใกล้ชิดนาเกียรติก็ได้เตรียมตัวจะเข้ากรุงในเรื่องของศพนาเกียรติคืนนั้นต่างคนต่างมารวมญาติกันอยู่ที่บ้านตาและยายผมคืนนั้นสุนัขได้หอนเป็นการใหญ่มันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ยากที่จะพูดว่าวิญญาณนาเกียรติได้ติดตามผมไปหาญาติแต่ทุกคนทั้งหญิงทั้งชายต่างมองหน้ากันอย่างซีดๆแต่ผมนั้นหนาวสะท้านพอเวลาสักทุ่มต่างก็กลับกัน เจ้าแฟงอยากจะอยู่คุยกับผมถามเรื่องกรุงเทพแต่ผู้ใหญ่เขากลับก็ต้องกลับผมนอนหนาวทั้งคืนคนเดียวที่ห้องเคยนอนเก่าแก่แต่เล็กแต่น้อยผมได้ตกลงกับตายายไว้แล้วว่าผมจะต้องกลับมาบ้านอย่างเดิมหมดน่าเกียติแล้วผมก็อยู่กรุงเทพได้อย่างไรฉะนั้นพอรุ่งเช้าผมก็ออกเดินทางเข้ากรุงเทพ อ, อีกเจ้าแฟงตามมาที่เรือผมบอกกับมันว่าอีก 2- อสามวันจะกลับมาอีกและมาอยู่เลี้ยงควายด้วยกันต่อไปมันยิ้มอย่างแจ่มใสผมได้ลงเรือ ออกจากบ้านครั้งนี้โดยมีจิตใจผิดกว่าครั้งแรกที่ได้เข้ากรุงเทพมันเป็นการเดินทางที่มีแต่ความเศร้าเสียใจครั้นถึงกรุงเทพผมก็ได้นําญาตินาเกียรติ 3-4 ี่คนเข้าไปหาท่านบรรณาธิการและได้ไปฟังสวดศพกันที่วัดท่านบรรณาธิการผู้เมตตาจิตได้ให้ที่พักแก่ญาตินาเกียรติตลอดจนอาหารการกินและทั้งที่พักหลับนอนจนกว่างานศพจะเสร็จลงโดยพวกหนังสือพิมพ์ต่างเจนเจ้าภาพกันคนละคืน จนครบเจ็ดคืนก็เก็บศพทางญาตินักเกียรติแจ้งกับท่านบรรณาธิการว่าตอนจะเผานั้นคิดจะมารับศพไปเผาทางอายุธยาท่านบรรณาธิการชี้เหตุผลว่าเป็นการยุ่งยากในการย้ายศพแต่ว่าทางญาติของนักเกียรติมีความประสงค์ดังนั้นจึงสุดแล้วแต่ญาติการตายของนักเกียรติก็เป็นการตายอย่างมืดมนทางตำรวจคว้าตัวใครยังไม่ได้ มันดำมือจริงๆพวกเราได้แต่ถอนใจเรื่องของคนที่จะนําตนเองวิ่งฝ่าใครต่อใครขึ้นเป็นตัวเด่นตัวใหญ่นั้นเป็นเรื่องยากพายเรือทวนน้ายังเพียงแต่เหนื่อยแรงแต่การฟันฝ่าทวนคนนี่นะสิหนักกว่าพายเรือหลายพันเท่าทวนน้าเหนื่อยกายทวนคนเจ็บตัวการตายของนักเกียรติไม่ใช่เรื่องของแปลกประหลาดใครๆก็ตายด้วยกันทั้งนั้นสุดแต่จะตายอย่างร้อนหรือตายอย่างสงบการดิ้นรนเพื่อความยิ่งใหญ่นั้น ก็ได้เทียบไว้แล้วว่าทวนคนย่อมเจ็บตัวถ้าทวนไม่ไหวการที่คนยากจนแต่ว่ามีความสำคัญขึ้นได้นั้นจะต้องดูการสนับสนุนทุกๆอย่างให้ฝ่าฟันความสำเร็จไปได้เรื่องจะฝืนทำโดยยึดคติแห่งตนเองนั้นก็ยากโดยทุกประการอนิจจาณเกียรติของผมความเมตตาอารีของท่านบรรณาธิการได้เรียกผมไปถามว่ายังอยากจะสมัครทางานอยู่หรือไม่ ถ้าสมัครจะทำก็รับให้ทําตามเดิมด้วยความยินดีทั้งจะให้อยู่อาศัยที่บ้านของท่านผมก้มลงกราบเท้าท่านโดยขอบพระคุณอย่างสูงสุดแต่เรียนท่านว่าขอไปอยู่บ้านนอกสักพักพอให้จิตใจเข้มแข็งและก็มีอายุมากขึ้นกว่าเก่าสักหน่อยจะมากราบเท้าขอรับใช้ท่านอย่างคนใช้และทำงานตามที่ท่านเมตตาท่านบรรณาธิการมองผมอย่างสงสารผมกราบเท้าลาท่านแล้วไปลาลุงพัดกับป้าน้อยผู้มีพระคุณแก่ผม ทั้งเวลาธรรมดาลและยามยากปะน้อยตาแดงแดงตัวผมเองก็เที่ยวลาหมดทุกๆคนที่เคยร่วมงานกันตลอดจนบาบูแขกยามผมก็บอกลาเพราะเคยผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็คุยกันบ้างบางเวลานึกถึงตัวเองแล้วก็ร้องไห้วาสนาของผมได้มาสุมตัวที่กรุงเทพมีแค่นี้เองลาก่อนกรุงเทพมหานคร